ตอนที่89ไม่เข้าใจกระบวนการคิดของชายชั่วหลีวันไปที่คลินิกการแพทย์แผนจีในช่วงบ่ายของวันถัดมาหนิงชังเหอไม่อยู่หน้าที่หลักของเธอคือการตรวจสอบแยกยะยาที่รับเข้ามาในคลินิกผู้คนต่างเดินค ว, วักไขยุ่งกับงานของตอนหลีหวันยืนอยู่ในลานบ้านครู่หนึ่งดูเหมือนคนไม่มีอะไรทําเอ๊ะทําไมเจ้ายังมายืนเบื่ออยู่ตรงนี้อาจารย์ให้เจ้ามาทํางานไม่ใช่เห็นว่าเจ้ายังเด็กแล้วจะอุมานยังไงก็ได้คนที่พูดคือเซวีเฉิงใช้เข่าขมวดคิ้วมองหลีหวันพางสั่งเสียงเย็น รีบไปตรวจนับยานในคลังสินค้าให้เรียบร้อยเสียแล้วก็นาเวลาเข้างานของเจ้าน้ำมันสายเกินไปแล้วเจ้าดูสิพี่สิทธิ์น้องคนอื่นในคลินิกสิมีใครขี้เกียจเหมือนเจ้าบ้างอาจารย์ใน่าใจดีบางครั้งก็หลับตาข้างหนึ่งลืมตาข้างหนึ่งแต่เจ้าจะทําเกินไปไม่ได้นะถ้ามาช้า ก, กว่านี้อีกไม่กี่นาทีก็คงได้เวลาเลิกงานพอดีจินหมานทั้งรู้สึกว่าการรุมรังแกเด็กผู้หญิงตัวเล็กๆแบบนี้ดูจะไม่ค่อยดีนักจึงรีบเอ่อยปากเอาเถอดเดี๋ยวถ้าเจ้าทํานางตกใจจนร้องให้จะทํายังไง พวกเราเปิดร้านทําธุรกิจไม่ได้มาโอดเด็กถ้าร้องให้ก็รีบปรับบ้านไปหาพ่อแม่นางซะสิเซวีเชิงชัยยักไหลยอย่างไม่แยแสถ้าร้องให้แล้วจะทํายังไงยังไงเขาก็ไม่โอดอยู่แล้วเจ้าอย่าไปถือสาเขาเลยเขาเป็นคนประเภทมีอะไรก็พูดอย่างนั้นแหละจินหมานทั้งยิ้มให้เด็กสาววันนี้เจ้ามาทํางานวันแรกตรงไหนไม่เข้าใจก็ถามได้เลยหลิหวานมองทั้งสองด้วยสายตายเย็นชาเมื่อพิจารณาจากสิ่งที่พวกเขาพูดเมื่อครูเธอจึงนิ่งไปพักหนึ่งก่อนจะเอ่ยปาก เขากับนิงจ้างข้ามาทำงานไม่ได้มีหน้าที่จัดของในคลังสินค้าภารกิจหลักของข้าคือการเฝ้าดูยาที่รับเข้ามาในคลินิกพวกเจ้าสองคนไปหาคนอื่นทําเถอะเซวีเชิงชัยานะสิทธิเอกของนิงชังเหอมักจะเป็นคนเด็ดขาดในคลินิกมาตลอดไม่เคยมีใครกล้าขัดใจเขาต่อหน้าแบบนี้ใครเห็นเขาบ้างไม่รีบประจบสอบพลอด้วยรอยยิ้มนอกจากคําสั่งของอาจารย์และคําพูดของคนอื่นเขาไม่จําเป็นต้องใส่ใจหลิวันเป็นคนแรกที่กล้าหาเรื่องเขาซึ่งซึ่งนาช่างขวัญกล้าเทียมฟ้านัก เซวีเฉิงใช้อาศัยความได้เปรียบเรื่องส่วนสูงถลึงตามองหลีหวานจากมุมสูงด้วยท่าทางดูร้ายหากเป็นคนอื่นคงถูกขู่จนร้องให้ไปนานแล้วแต่ท่าทางแบบนี้ในสายตาของหลีหวานกลับดูไม่ต่างจากตัวตลกที่พยายามแสดงนิ้วหลี่หวานย่อมมองออกว่าเซวีเฉิงใช้ไกลใช้อำนาจข่มเหงงานจิปาถลเหล่านี้เห็นชัดว่าเป็นงานที่หนิงชังเหอบหมายให้พวกเขาทำหลี่หวานมองว่าพวกเขาก็แค่เสือไม่อยู่ลิงก็ร่าเริงถ้าสิ่งที่ข้าพูดมีปัญหาอะไร พวกเจ้าสามารถไปแจ้งกับเท่าแก่นิงได้โดยตรงเมื่อพูดถึงตรงนี้หลีหวานก็ชะงักไปครู่หนึ่งก่อนจะกล่าวต่อส่วนเรื่องที่ข้ามาทํางานกี่โมงนั่นก็ได้รับอนุญาตจากเท่าแก่หนิงเช่นกันหากพวกเจ้าทนดูไม่ได้ก็ทําตัวให้เหมือนข้าสิรอยยิ้มที่มุมปากของจินหมานถังแข็งค้างเขาเขามวดคิ้วพางเอ่ยเตือนหลีหวานเจ้าแน่ใจนะว่าอยากจะล่วงเกินพวกเราตั้งแต่วันแรกที่มาทํางาน ข้ามาทํางานไม่จำเป็นต้องคอยดูสีหน้าใครข้ายัางยืนยันคำเดิมหากใครทนดูไม่ได้ก็ไปฟ้องเท่าแกนิิงได้เลยหลี่หวนันพูดจบก็กวาดสายตามองพนักงานคนอื่นที่ยืนมุมดูเหตุการณ์ขอถามหน่อยวันนี้ที่ร้านมียาเข้ามาส่งบ้างไหมหรือว่าปกติร้านจะรับยาเข้ามาตอนไหนเซวีเชิงใช้กโกรธจนหน้าตาบิดเบี้ยวเขาขยาห ม, มัดแน่นถลึงตามองหลี่หวันอย่างอาฆาต หากนางเป็นผู้ชายก็คงดีเขาจะได้ลงไม้ลงมือให้รู้แล้วรู้รอดไม่ต้องมาทนแบกรับความอับอายยศเชน่นนี้ดูถ้าเขาจะประเมินเด็กสาวคนนี้ต่ำไปเสียแล้วนางพอจะมีฝีมืออยู่บ้างไม่มีใครรู้เลยหรือหลีหวานเลิกคิ้วในเมื่อไม่มีใครรู้งั้นวันนี้ข้าขอเลิกงานก่อนแล้วกันหากภายหลังมีปัญหาอะไรข้าจะอธิบายสถานการณ์ให้เท่าแก่หนิงฟังเองทุกคนในร้านยังคงเงียบปริบหลีหวานจึงก้าวเท้าเดินกลับบ้าน นางรู้ดีว่าไม่ใช่เพราะพวกเขาเป็นใบแต่เป็นเพราะไม่กล้าพูดมากกว่าไม่มีใครกล้าล่วงเกินเซวีเฉิงชัยและจินหมานถังอย่ามัวแต่ยืนบื่ออยู่ตรงนี้ใครมีหน้าที่อะไรก็ไปทําซะจินหมานถังโบกมือไล่ทุกคนไปจากนั้นเขาก็โอบไหล่เซวีเฉิงใช้ไปกระซิบประซาบที่ด้านข้างคนคนนี้อาจารย์เป็นคนพาเข้ามาเองนะเมื่อกี้เจ้าไม่ควรไปจ้องเล่นงานนางแบบนั้นหากเด็กสาวคนนี้ไปพูดจาเหลวไหลต่อหน้าอาจารย์จริงๆสุดท้ายคนที่ต้องเดือดร้อนก็คือพวกเราสองพี่น้อง นางจะโอหังเกินไปแล้วอายุแค่นี้ยังอดดีขนาดนี้ต่อไปไม่ขี่คอพวกเราเลยหรือเซวีเชิงใช้กัดฟันกรอดพลางสบถพึมพำวันนี้เสียหน้าชะมัดเรื่องนี้ไม่จบง่ายๆแนะ่ไม่เอาหน้าเจ้ายังคิดจะทำอะไรอีกพอได้แล้วจินหมานทั้งรู้สึกว่าไม่ควรทำให้เรื่องบานปลายจนอาจารย์ต้องลำบากใจลดเรื่องยุ่งยากลงสักเรื่องย่อมดีกว่าเพิ่มขึ้นมาอีกเรื่อง หรือว่าเจ้าอยากจะถูกเด็กสาวที่อายุน้อยกว่าหลายปีข่มเหนรังแกในคลินิกนี้ไปตลอดเซวีเชิญใช้แค่เสียงเย็นข้าไม่ได้ขี้ขลาดเหมือนเจ้าหรอกนะคอยดูเถอะจินหมานทั้งเห็นว่าห้าไม่อยู่ก็ได้แต่ถอนหายใจอย่างอ่อนใจพวกเราเร่งจัดคลังสินค้าให้เสร็จก่อนเถอะเดี๋ยวอาจารย์กลับมาจะ ก, กริ้วเอาจัดคลังสินค้ามาครึ่งเดือนแล้วยังไม่เสร็จเลยจัดไอ้พวกนี้ทุกวันจะมีประโยชน์อะไรอาจารย์ควรจะให้พวกคนงานจิปาธธร ม, มากกว่าจินหมานทั้งฟังคําบ่นของเขาอันที่จริงในใจเขาก็คิดเช่นนั้นเหมือนกัน นี่มันเป็นการใช้คนไม่ตรงกับงานชัดๆไม่เข้าใจความคิดของอาจารย์เลยจริงๆถึงแม้ในใจจะมีความไม่พอใจเพียงใดแต่งานที่อาจารย์มอบหมายก็ต้องรีบทําให้เสร็จเสียก่อนไว้ค่อยหาเวลาบ่นทีหลังเซวีเฉิงใช้จูจูเขาก็เหมือนจะนึกอะไรออกจึงมองตามทิศทางที่หลีวหวันเดินจากไปอย่างคลุ่นคิดเขาคิดแผนออกแล้วหลีวหวันเพิ่งก้าวเท้าพ้นประตูก็บังเอิญไปพบกับโจเจี้นเี้และหลิวเคอเคอรเข้าพอดีนางทําเหมือนมองไม่เห็นพลางคิดในใจว่าเมืองหยางเฉิงช่างกลมแคบเสียจริง ทำไมถึงได้เจอพวกเขาสองคนได้ง่ายดายขนาดนี้ช่างซวยจริงๆเสียหวานทำไมเจ้าถึงออกมาจากที่นี่ละ่ะโจเจียนเย่ตั้งใจไว้ตั้งนานแล้วว่าจะปรับความเข้าใจกับลูกสาวเขาจะไม่ยอมปล่อยโอกาสที่จะได้พูดคุยกับนางไปเด็ดขาดเจ้าป่วยหรือหรือว่าแม่เจ้าไม่สบายโจเจียนเยี่ยไม่เห็นใครมากับนางจึงถามด้วยความหงอยใหย่เพิ่มอีกสองประโยครีบบอกมาเสียทําให้พ่อต้องเป็นห่วงได้ไหม ข้าทํางานที่นี่สุขภาพของพวกเราแม่ลูกแข็งแรงดีไม่ต้องให้ท่านมาลําบากใจหลีหวันพูดอย่างรําคาญพลางเหลือบมองหลิวเคอเคอท่านห่วงตัวเองก่อนเถอะเสี่ยวหวานตอนนี้เจ้ายังไม่บรรลุนิติภาวะเลยทําไมถึงวิ่งรนมาทํางานแบบนี้ละ่ะโจ้เจี้ยเยื่อเฉยต่อความไม่พอใจที่ปรากฏบนใบหน้าของหลีหวันคลางถามด้วยความหงหุดหงิดหรือว่าเป็นเพราะคนตระกูลเจิ้งไม่ให้เงินค่าขนมเจ้าแม่เจ้าก็มีเงินไม่ใช่หรือและเงินที่ให้ไปตอนนอีล้ล่ะถ้าแม่เจ้าไม่ให้เงินเจ้าพ่อจะไปทวงกับแม่เจ้าเอง เรื่องนี้ไม่เกี่ยวกับแม่ค่าค่าอยากออกมาทา ง, งานเองไม่อยากอุดอู้อยู่แต่ในบ้านทั้งวันหลีวันรู้สึกว่าเรื่องนี้จําเป็นต้องพูดกับเขาให้ชัดเจนเพื่อป้องกันไม่ให้โจจีนเย่ยวิ่งไปพูดอะไรกับแม่ของนางจริงๆสหายหลีชิงถิงกําลังตั้งคันอยู่ทุกอย่างต้องยึดถือสุขภาพของนางเป็นหลักไม่ควรมีเรื่องใดไปรบกวนนางในช่วงตั้งคันลีวันไม่เข้าใจกระบวนการคิดในสมองของชายช่วยอย่างโจจี้นเย่ยเลยจริงๆ